ด้วยความมั่นมั่นใจไม่ประมาทรักษาอาจค่มใจไว้เป็นสี ผู้ฉลาดอาจตั้งหลักพำนักดีอันห่วงน้ำไม่มีมารังควานขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการธรรมส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพจะได้นำธรรมบรรยายที่ติดค้าง สาธุชนไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วเป็นธรรมะบรรยายของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพและที่สําคัญพระเดชพระคุณท่านเป็นองค์สถาบันพุทธภาวนาเป็นประธานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย อำอเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งต่อมาสถาบันแห่งนี้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามทำหน้าที่เผยแพร่พระสัษยธรรมตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าอยู่ในปัจจุบันพระเดชพระคุณท่านได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจำปีซึ่งวัดหลวงพ่อสดได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจา ทุกปีปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีนั้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยือนพระภิกษุสามเณรผู้เข้าร่วมรับการอบรมทางคณะผู้ดำเนินงานจึงได้กราบ ร, ราัถนาประเด็ศพระคุณท่านได้แสดง ธรรมบัญยายถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและสาธุชนผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องพระธรรมวินัยวันนี้เป็นตอนที่สี่เป็นตอนสุดท้ายจึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจทุกท่านมาตั้งใจสับรับฟังธรรมบัรยายเรื่องพระธรรมวินัยโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โดยพร้อมกันในบัดนี้ ทำไมถึงว่าเป็นใบเรือได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยใบเรือไม่เคยมีนาะถ้าวัดมีอยู่ใล้คลองแล้วก็เอาจีวรนี่แหละไปทำใบเพราะงันนึนงวเวลาหมก็ห่มไปเวลาทำใบเรือก็ทำไปเวลาเอามาห่มก็ห่มพอดีเวลาทำใบเรือก็พอดีอีกองค์จะเล็กจะใหญ่ยังไงก็ห่มแล้วพอดีเพราะงั้นท่านวางแบบไปหมจีวร สบงกับจีวรเนี่ยมองข้างล่างเวลาห่มนะโยมนะตามปกตินะห่มแล้วพอดีพอเหมาะไม่เห็นว่ารุ่มรามไม่เห็นว่าหน่าเกลียดไม่เห็นว่าเลื้อยหน้าเลื้อยหลังทั้งส่วนบนส่วนล่างพอเหมาะพองามทั้งนั้นนี่วิธีห่มวิธียมแล้วท่านห้ามนี่ก็รากก็นั่งกันอยู่เยอะนะ แต่ว่าที่นี่ดีทั้งนั้นดูแล้วบางทีห่มโหมไปข้างหลังไม่มีแล้วเอาไปไหว้ข้างล่างหมดข้างหน้ามีจีวรข้างหลังหลุดมาไหว้ข้างหลังหมดบางทีอังสะก็ไม่มีอังสะมีก็ยังชั่วหน่อยอังสะไม่มีซะอีกก็ข้างหลังเลอะกลวงเลยอาจารย์โบราณเรียกการห่มวิธีอย่างนี้ว่าผีหลังกลวง ท่านเรียกพระว่าเป็นนี่ผีหลังกลวงเพราว่าผมจีวรแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่มีห้อยอยู่ข้างหลังข้างหลังห้อยห้อยได้จีวรพระนีน่ผมแล้วปล่อยลงไปได้แทนที่จะได้เรียกทางสรรเสริญท่านเรียกในทางตำหนิว่าผีหลังกลวงนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องถ้ายืนแต่ถ้ายืนไม่ใช่เพียงเท่านี้ ยืนของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไวในทางทั้งทั้งในทางธรรมปฏิบัติทั้งในการยืนธรรมดาจะยืนอย่างชาวบ้านเขายืนก็ไม่ได้อย่างชาวบ้านยืนที่ท่าไม่ดีนะก็ไม่ได้แต่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดมากไปถ้าพูดก็ อาแต่เพียงว่ายืนให้เรียบร้อยยืนให้เรียบร้อยจะไปยืนที่ไหนก็ตามเรียบร้อยและดูงดงามไม่ขวางคนอื่นไม่เกะ ก, กะคนอื่นคนอื่นเขาเดินจะชนอย่างนี้ไม่ได้ไปยืนอยู่ที่ประตูเงี้ยออกไปแล้วไม่ออกไปไปยืนที่ประตูนี่ไม่ได้ไปยืนโบราณก็ถือใช่ไหมโยมเหยียบทรณีประตูนี่ก็ถือ นังบนธรณีประตูก็ถือพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอไม่ไปเยาวยืนเกกะเกกะคนอื่นก็ไม่ได้ยิ่งทักกับอาจารย์และยังมีบทบัญญัติอีกนะผู้ใดเป็นอาจารย์อาจารย์เดินไปเดินเลยหน้าไม่ได้ต้องเดินถอยหลังมาหน่อยคิดนักก็ไม่ได้ต้องห่างมาหน่อยและบอกเสร็จด้วย ้าอาจารย์หันมาถามว่าเป็นยังไงคุณต้องพอดีได้ยินสามารถตอบให้ท่านได้ยินไม่จะ่ถอยหลังไปอยู่โน่นห่างกันสองว่าต้องบอกว่าคุณสบายดีหรือก็ไม่ไหวอีกอย่างนี้ก็ไม่งามพอใช้ได้แต่ว่าเวลาพูดกันทีก็ไม่ได้เรื่องเพราะงั้นต้องยืนพอดีพอดีเป็นยังไงไปยังไงไมายังไงพูดกัน ได้ยินกันสองต่อสองพอดีแม้แต่ว่าจะเดินตามนะ น, นี่นี่พูดรยายละเอียดลงไปถึงระหว่างสิทธกับอาจารย์ห้ามไม่ให้เดินเลยหน้าไปให้เดินแต่พอเหมาะพอดีสามารถที่จะตอบกันได้สามารถที่จะพูดกันได้โดยไม่เป็นที่หนักใจนี่ก็อิริยาบท แรกอย่างเดียวให้ท่านสังเกตไว้นะทุกองให้สังเกตเมื่อสังเกตอย่างนี้แล้วสังเกตตามพินัยอย่างนี้แล้วให้สังเกตง่ายๆสำหรับพวกเราเอาสังเกตง่ายๆว่าดูพระที่ท่านที่ท่านเรียบร้อยเวลาพระที่ท่านเรียบร้อยท่านไปยืนตรงไหนเนี่ยท่านก็ยืนเรียบร้อย แลดูงามพอดีพอดีถ้าหากว่าเราจะไปดูกลายพระว่ า, วาให้ดูที่ในหลวงในหลวงในหลวงท่านไปยืนที่ไหนท่านท่านอยู่ในรียาบ ท, ที่เราเรียกวัดสง่าสงา่สงาพาเผยสง่าพาเผ ย, าาเผยไม่ใช่เราเห็นแล้วเราเนึ้อว่าเอในหลวงเราทำไมถึงยืนอย่างนี้ไม่มีนี่เรื่องอิรียาบทยืน เดินยิ่งสำคัญไปอีกเรื่องเดินนี่พระพุทธเจ้าได้จัดไว้จนกระทั่งเรื่องเป็นจ ก, กัลรรยาณีคือผู้หญิงเดินแต่ของพระเนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในเสขียวัดมากเวลาเดินไปอัปปสสัธโธขมิตรสามีติสิกขากา ร, รณนิยา เวลาจะเดินไปในเสขียวัตรท่านก็สอนแม้แต่จะพูดขณะที่เดินไปก็ให้ไม่ให้มีเสียงที่เออะคู่กันแต่พอได้ยินแม้จะเดินไปเพราะงั้นอิริยาบถของการเดินของพระเนี่ยสำคัญมากเราทางสถาบันเนี่ยท่านทัางหลายจะเห็นว่าเรามีข้อกำหนดกัน ทุกองได้ทราบแล้วเราจะเดินมาจากกรดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสาวได้สาวเอาอาจารย์แต่ก่อนถ้าท่านเห็นพระเดินเร็วในเวลาที่ไม่จําเป็นนะจำเป็นมีเมื่อกันจําเป็นนี่ก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นไว้เดินปกติธรรมดาไม่มีเหตุฉุกเฉินไม่มีอะไรอะไรถ้าเดินเร็วเกินไปท่านบอกว่าคํานี้ไม่เพาะหน่อยท่านบอกว่าเดินยังก็ไปไล่ควาย ท่านว่าเลยอาจารย์เก่าๆนะที่ท่านเก่งๆเนี่ยเดินยังก็ไปไล่ควายคือเดินไม่สวยแล้วเดินไม่งามแล้วท่านก็ว่าท่านก็บอกคือไม่ไม่พอเหมาะไม่พอดีอิยราบทเดินนี่สําคัญมากเพราะว่าอริยาบทเดินนั่นจะต้องใช้สายตาด้วยสายตาเรามองพอเหมาะพอดีไม่ใช่จนกระทั่งว่า ก, ก้มจนกระทั่งเดินไปถึงเสาแล้วต้องหยุดไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวถึงเสาแล้วหรืออย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้อีกเหมือนกันทอดสายตาพอเหมาะพอดีพอที่จะเห็นไปข้างหน้าว่าเป็นยังไงรอบตัวพอจะเป็นยังไงถ้ามีสติดีแล้วไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ทีนี้เยีบทนั่งเยียบทนั่งนี่สงสอนไิ่หน้าชื่นใจเหลือเกิน เอยาบทนั่งนั้นได้ทราบว่าให้ทราบว่าการนั่งพระเพียบเนี่เป็นของไทยเราการนั่งคัตมาศนั้นเป็นแบบนั่งสมาธิการนั่งนั่งคัตมาศนั่นนั่งเป็นอย่างที่เรานั่งธรรมดาก็ได้หรือนั่งอย่างเรานั่งปฏิบัติธรรมก็ได้หรือนั่งคัตมาศเพชรก็ได้แล้วแต่เราจะนั่งได้วิทโดยวิธีไหนแต่เวลาเรานั่งปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะอย่างที่เรานั่งเนี่ย เท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเวลาเรานั่งเราก็รู้กันอยู่นี่เป็นวิธีนั่งท่านเรียกมาแต่คำเก่าว่านั่งขัดบรลังบรรลังกลงอาพุทธชิตวา่าอุชุงปณิทายะอุชุงกายัางปณิทายะคือนั่ง ท่านแปลว่านั่งคู่บันลังไม่จะขัดบันลังนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงมีสติสัมปชัญญะพิจรารณาแล้วแต่จะพิจารณาอะไรก็ว่าต่อไปตั้งกายตรงเพราะงั้นพระพุทธรูปสังเกตดูนะโยมนะที่หลอเนี่ยไม่มีหลอนั่งหลังค้อมไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครเอา่นั่งหลังค้อมโดยเฉพาพระพุทธรูปจะให้โยมสักองค์เนี่ย หลอองค์หนึ่งหลังคอมให้ยอมยมไม่เอาเพราะไม่มีพระพุทธรูปหลังคอมก็ต้องหลอหลังกลงแล้วนั่งธรรมกายนี่เป็นแบบกลงตามตำราหลังกลงเอ๊จะกลงได้ยังไงอายุตัง้งเจ็ดแปดสิบแล้วกลงองยังไงนั่นเรื่องสังขารไม่เป็นไรก็อค่อยว่ากันเวลาหลังกงแต่เวลาหลังยังไม่กงก็ให้มันไม่กลงให้กลง อย่าเพิ่งโกงแต่ยังไม่ทันโกงถ้าถึงเวลาโกงแล้วน่ะมันสุดวิสัยแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาโกงให้กลงเอาไว้ตามแบบที่ท่านว่าแล้วหลังโกงน่ะนั่งกรรมฐานให้สังเกตนะโยมนะถ้าหลังโกงเมื่อไหรแล้ง่วงทันทีง่วงทันทีอิริยบทคุมมาอยู่แล้วสติไม่กระอยู่กับตัวแล้วชักงุ้มงามงุ้มงามแล้วแต่ถ้ายังหลังโกงอยู่ยังใช้ได้แม้จิตยังไม่สงบก็ยังใช้ได้ แสดงว่าคุมอยู่คุมอยู่ ค, มคุมกายอยู่คุมข้างนอกอยู่และพระเนี่ยนั่งนั่งชันเขาไม่ได้นายมระเนี่ยเรงั้นต้องระวังด้วยนะชันเข้าแล้ว อ, องค์อื่นยังไม่เสร็จเราเสร็จแล้วนั่งชันเขาแบบคนแก่ใช่แล้วนั่งชันเขาสบายสบาย ดีนะของเราที่นี่น่ยต้องเรียกว่าดีแต่ว่าไมาจะที่อื่นก็ไม่ดีอืมม่จะฉันเขาเจาเฉยนะเอาบุหรี่มาสูบจะอีกจุดบุหรี่ยอว่าเออเอาหาบุหรี่มาถวายท่านสักการณ์ดพอท่านสูบบุหรี่ควันขโมงและดีใจได้ถวายปลาได้ถวายเพศสัตว์ถวายเพศสัตว์หาว่าถวายยาให้บุพระบกพรนพร่นวันบุหรี่กรมงเป็น รงสีนายโยมบอกบมันดีเหลือเกินในถวายเพสัตเพศัตอะไรล่ะบุหรีมันแค่เพสัตอะไรลายโยมนั่นประเพณีของบ้านว่าเออเราเคยสูบบุรีก็ถวายบุรีเพราะงั้นไม่ใช่เพียงแต่นั่งทันเข่าเฉยๆยังงัดบุรี่มาสูบได้อีกไม่ได้เนี่ยวินัยทั้งนั้นนายโยมพิยาบทสีอ่า นี่พูดพอให้เห็นเป็นข้าวในกระ่วโมงกว่าแล้วนะทีนี้อย่าพูดถึงเรื่องอื่นๆประกอบเพราะว่ามีอยู่หลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องระเบียบที่นี่ที่วันนั้นได้พูดแล้วว่าที่จริงเราทาตามวินัยหมดทําตามธรรมะหมดอย่านึกว่าแข่งครัดพระเนี่ยฉันแล้วเนี่ยน้ําล้างบาศเนี่ยถ้ามีเมล็ดข้าวราดลงไปที่พื้นเทลงไปที่พื้นเนี่ยผิดผิดวินยัย คนไปทำไม่เป็นไรแต่ถ้าพระล้างบาศเสร็จแล้วน้ำในบาศเนี่ยยังมีเมล็ดข้าวอยู่ไปเทลงไปที่พื้นเป็นอาบัตทันทีจ้องไปเทในที่ใดที่หนึ่งที่ไม่จะเป็นพื้นราด จ, จนกระทั่งเม็ดข้าวขาวไปละเอียดพระพุทธเจ้าเราฉันอาหารแล้วมีเศษ เป็นเศษกระดาษกด็ดีเศษอื่นก็ดีกระดูกก็ดีเรืออะไรกด็ดีเราเน่กว่าจะวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงโน้นเรไม่ได้ทรงห้ามถ้าไปเที่ยววางเพ่นพานอย่างนั้นเป็นนบัตเพราะงั้นเวลาฉันข้าวนะถ้าเราฉันข้าวสมมติว่ามีเราในเวลานี้เราดีขึ้นเยอะแล้วเราที่นี่เราฉันในบาปนี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วสบายขึ้นเยอะแล้ว อย่านึกว่าฉันในบาทแล้วก็ดีแล้วเราฉันในบาทสบายแล้วมีกากก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละอืทิ้งไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรวางกากไว้ตรงนี้เนื้อกินซะแล้วก า, กากทิ้งตรงนี้อืม ไ, ได้ถ้าหากว่มีอะไรที่มันเป็นเศษเป็นอะไรต่อใดก็เก็บไม่ดีแล้วนําไปทิ้งในที่ที่จะไม่เป็นน้บัดที่ที่ไม่เป็นน้บัดคือที่ไหนก็คือในที่ที่เขาเตรียมไว้ว่าตรงนี้สําหรับเทขยะทิ้งขยะตรงนั้นแหละไม่เป็นน้ำบัดละ พูดอย่างนี้กันเดี๋ยวจะว่าเอวนันมีหรือบอกว่ามีที่เทขยะที่จริงนะมีทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยมีทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าท่านทำเองด้วยนะไม่ใช่ว่าทรงสอนแต่องค์อื่นแกพระเนนอื่นท่าน ท, านทรงทำเองด้วยนี่ก็ข้อยุ่มหยิมต่างๆที่เป็นระเบียบในสถาบันของเราแม้แต่การที่จะเทจะทิ้งเศษขยะ เศษกระดาษเศษอาหารต่างๆนี่ก็เป็นการปฏิบัติตามวินยัยอย่าให้พลาดเมื่อเราได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ขอให้นึกถึงวินัยข้อผิดย่อยพระที่ออกจากสถาบันที่มาฝึกนี้แล้วต้องให้เห็นอย่างหนึ่งว่าต้องมีระเบียบและต้องมีธรรมะ จะได้มากน้อยแค่ไหนก็เอาเธอมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ต้องมีระเบียบคือวินัยและต้องมีธรรมะติดอยู่ในใจมีความสำรวมระวังอยู่ตลอดขึ้นรถเมยไปสององคุยกันลั่นไม่ใช่ธรรมกายแล้วไม่ใช่ธรรมกายแล้วบางทีก็ขึ้นรถเมยกันคุยลั่นนะนะนะระวังนะไม่ได้ผิดวินัยคนอื่นเขา พระพุทธเจ้าท่านบอกให้เงียบเสียงไม่จะไปคุยกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ปิดวินยัยแต่เราไม่เคยรู้เรานึกว่าเ า, เ า, เ า, เานั่งพับเอาแล้วคุยแล้วงั้นแ่ท่าที่ปากนี่ก็ต้องมีวินยัยเย็บไว้เอาวินยัยเย็บเย็บยบไว้ไวเย็บไว้ต้องถ้าจะพูดจะพูดเบาหรือพูดให้เขาได้ยินแค่ไหนเพียงไรต้องมีสติคอยกำหนดอพอจะพูดอะไรไปพับ ต้องมีสติว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องดีนี่ธรรมกายพูดที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เราต้องรู้รู้จักกาละกาลันยุตาเราต้องรู้จักบุคคลเป็นปุคลันยุตาเราต้องรู้จักบริษัทเป็นปริษัญุตานี่ก็คือวินัยเหมือนกันแต่ว่าไปเชื่อมโยงถึงธรรมะ ไม่ใช่ว่าเราอยากจะพูดที่ไหนก็พูด อ, อยู่เดินในตามถนนก็พูดขึ้นรถเมล์ก็พูดที่นี่จงกระทั่งว่าจับกลุ่มก็ต้องห้ามแล้วเพราะว่าพูดกันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เองไม่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดพระพุทธเจ้า <c oughs> ท่านเดินทางจากเมืองราชครื้ไปเมืองนาลันทาอย่างที่สวดในแจงอันตระจะราชะขังอันตรา จ, รา จ, น, ราจนาลันทงังอัฏฐานมัคคัปิปนโน ห้ายนี่เงียบเงียบวันนั้นก็พูดไปทิ้งแล้วห้าร้อยองค์เนี่เงียบเดินก็เงียบไม่มีเสียงเลยแต่ว่าติ่ตามมาอีกห้าร้อยข้างหลังเน่ะเสียงลั่นเลยพวกปริพาชกคุยกันขโมงโถงเฉงยังก็ไปตกปลาตกเบ็ดคุยกันลั่นไปแล้ต่างกันแล้วพระพุทธเจ้ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง ก็ส่วนมากทราบกันแล้วพระเจ้าอาชาติจะจะตัตรูไปฝ้าพระพุทธเจ้าโดยหมอชีวกโกมารพัฒนําำไปพระสงค์นั่งอยู่จำนวนพันเวลาพลบธรําไม่มีแม้แต่เสียงจามเสียงไอนี่อันหนึ่งอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าแสดงให้เห็นว่าพระท น, นั่งกรรมฐานพระพุทธเจ้านำพระปฏิบัติ นั่นอย่างหนึ่งแหละนี่นีน่เป็นให้เราเราเกิดความรู้สึกได้ว่าพระพุทธเจ้านำพระปฏิบัตินำพระเข้ากรรมฐานแน่นอนนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั่นเมื่องเงียบอย่างนี้แสดงว่าถ้าจะพูดอะไรกันก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพระองค์เดียวนอกนั้นก็เงียบเงียบพระเจ้าชาตัศัตรูไปใกล้แล้วนะก็ถามหมอชีวาโกมารพัว่า เอ้พระท่านอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนหมอชีวมโกโมาพัฒ์ก็บอกว่าที่นู้นที่มองเห็นไกลๆนั่นที่นั่งกลางนั่นคือพระพุทธเจ้ามีแสงไวัยริบหรีริบหรีริบ ห, บหีทีแรกพระเจ้าชาตรูนึกว่าหมอชีวโกโมาพัฒลวงมาฆ่าเพราะว่ามีบอกว่าพระมีจำนวนพันนี่ทำไมเงียบกันอย่างนี้ ผลในสุดก็เดินเข้าไปใกล้เข้าไปฟ้าพระเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งนิ่งในถ้ากลางกระสง์องค์อราหารันจํานวนเป็นพันนั้นพระเจ้าวิชาดาตระทูถึงกับนึกไปถึงลูกชายที่ชื่ออุทัยพัฒท่านมีลูกชายชื่อว่าอุทัยพัฒอยากจะให้อุทัยพัฒเนี่ยเป็นคนสงบส ง, งีวยเรียบร้อยอย่างนี้แหะ เพราะว่าท่านมีเหตุของท่านในใจเหมือนกันที่ปัญหาพระพุทธเจ้าอะไร่างก็มีเหตุอยู่ในใจเรื่องที่ท่านลืม ừ, ลืมพระเจ้าพิมพิสารว่าเป็นบุปการีเป็นผู้ให้กำเนิดทรมาจนจนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารต้องสวรรคตท่านมีความในใจอยู่เพราะงั้นเที่ยวแสวงหาท่านภูรูทั้งหลายจนไปพบพระพุทธเจ้า แล้วก็นึกว่าลูกชายของท่านจะใหญ่เหมือนท่านดั้นั้นห้เห็นพระสงบอย่างนี้แล้วท่านหนอกนึกถึงอุทยพัฒน์ลูกชายอยากให้อุทยพัฒนมาเห็นแล้วอยากให้อุทยพัฒนเป็นอย่างนี้ด้วยคือเป็นคนสงบเสงี่ยมก็อพอสมควรแก่เวลาวันหลังยังอีกหลายวันก็ปิดสิวันที่สิบห้าจะถือโอกาสมาพบกันอีก วันนี้ก็ใช้เวลานานเกินกว่าที่กำหนดไว้ก็ฝนช่วยทำไม่ต้องพูดนานฝนยังไม่หายก็ไม่เบาก็ยังไม่เลิกนี่ฝนเบาแล้วก็ในโอกาสนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครื้หัดได้สำรวมใจ แม้ช่วระยะเวลาเล็กน้อยนี้ให้จิตใจของท่านดิ่งนิ่งหยุดยึดเอาพรั t น n a ตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะน้อมหนวงเหยวให้ตั้งอยู่ในจิตแล้วให้อ้างเอา บารมีแห่งพระรัตนตรัยซึ่งสามารถที่จะเข้าไปสถิตยอยู่ในจิตของเราได้แล้วนั้นได้ทรงโปรดดลบรรดาลประทานพรให้ทั้งทั้งหลายปราศจากสันพรโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคกัปัทธวันตรายทุกประการขอให้ได้มีจิตใจชื่นบานแจ่มใส ในประธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้ได้สำเร็จผลในการปฏิบัติธรรมสาธุชนกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมะส่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจาย์เจ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวระมหาวิหารกรรมการมหาเทรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้ไปบรรยายธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเนื่องในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจาปีในเรื่องพระธรรมวีนัยซึ่งวันนี้อาตมานาเสนอสู่ท่านผู้ฟังเป็นตอนที่สี่เป็นตอนสุดท้ายของธรรมบรรยายเรื่องนี้ช่วงระยะเวลาสีตอนที่อาตมานำเสนอถ้าท่านสาธุชน ติดตามรับฟังทุกครั้งก็คงจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการที่เราจะประพฤติปฏิบัติต่อพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้พอสมควรเพราะว่าธรรมบัรยายเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เน้นสอนพระภิกษุสามเณรแต่ก็เป็นเรื่องจําเป็นที่เราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาเรียนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับ พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสำหรับวันนี้ก่อนจากกันอาตมาภาพข อ, อนำเอาพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่294ความว่ายานิกโรติปุริโสตานิอัตตนิปัสติแปลความว่าคนทากรรมใดไว้ ย่อมเห็นผลกรรมนั้นด้วยตนเองวันนี้รายการธรรมะส่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามธรรมบรญญายจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความผาสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร